ร ب نا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ر ب ن ا آتنا من ل د ن ك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا الله معلمنا ما ينفعنا ف ع, ن, ف ع أ ين. ن, آ ن ا بما علمتنا وزيدنا علم رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله و ا ل ن ي ا ن آيات เทียเกี่ยวเนื่องกับ ความสุขของบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลลอสุบฮานวตาลจะประทานให้กับพวกเขาในส่วนสวรรค์ของพระองค์นะครับเริ่มตั้งแต่อายัดที่สิบเก้าเป็นต้นไปอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับที่นี้อูุ๊บิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจีม ว ي َ طوّف عليهم ََِ والدان مخلدون َُ إذا رأيتهم ح س ِ ب ت ه م لؤلؤ من سورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيم วَามَุคَนกบَ ا <ت ص في ق> ل ِ ي َีอะฮุมศิอาُุสุนดุสิน خضر واستبر َ วَ ح วพุลล์อ س ا و อิร์ ضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا <ت ص في ق> إِنَّ ه َ ذا لَكُمْ جَزَاءً كان سعيكم مشكورا مش إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل ا ัซบ لحكم ربك ولا ت ط ع منهم آثماً أو كفورا و َ ا ل ُ ر س م ربك ََِ بكرة ُ و َ ص ي ل ا ومن الليل فسجد له َ وسبح َ ليلا ط و ي ل ا อัลฮัมดุลิลละคืนนี้ยาวสนิดนะครับแต่ว่ามาดูกันว่าจะได้จบทันไหมกับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ต่อเลยนะครับอ่ะอายะที่สิบเก้าอัฮัมดุลิลละวยาทูฟุอะลเลห์ม วิลดานมุขัลดูนครั้งที่แล้วเราได้นับจำนวนหรือว่าเนืหมัดบางประการนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตตะละไปเตรียมเอาไว้ในสวนสวรรค์ให้กับบรรดาชาวสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุที่สั่งได้ตามใจที่เป็นเหล้ารถดีนะครับเป็นน้ำพุที่เป็นเหล้าเป็นซุรา นะครับในสวรรค์สั่งได้ตามใจนะครับจะให้มันโผล่ตรงไหนมันออกมาตรงไหนก็สั่งได้เลยแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ผลไม้ที่เราอยากจะกินสดสดจากต้นมันก็จะโ้งกิ่งของมันลงมาตามที่เราสั่งตามใจของเราเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีบริกรผู้ที่คอยรับใช้เรานะครับเข้าออกเข้าออกเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟ เครื่องดื่มให้กับเรานะครับด้วยแก้วภาชนะที่ทำมาจากเงินแต่เป็นแก้วใส س ุ ح ا ن อัลลอฮแล้วยังมีเหล้านะครับเหล้าแบบเย็นเหล้าแบบร้อนที่ผสมของน้ำขิงนะครับแต่เป็นน้ำขิงที่นะครับเป็นน้ำผุเป็นตาน้ำแล้วกินก็คล่องคอนะครับไม่ได้มีรสอะไรเขาเรียกไม่ได้ติดคอนะครับเซลเซีลซ อัลสซาบีลเนี่ยให้ความหมายว่าคล่องไหลลื่นมาวันนี้อัลลอลาก็ต่ออีกนะครับในอายะที่สิบเก้า ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَالْدانُ مُخلَدُونَ เราคนพวกคนเหล่านี้จะมีบริกรคนที่รับใช้เป็นเด็กๆที่คงความเป็นเด็กเช่นนั้นตลอดการ คือเด็กเสิร์ฟเด็กที่คอยมาให้บริการกับชาวสวัสด์เนี่ยจะเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กที่พอจะรับใช้ได้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่ ไ, ม, ไม่ได้มีในทับซีนนะครับเขบอกหรือเปล่า ไม่ได้มีบอกนะในมุนกเซฟต้ไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไรแต่เป็นเด็กเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะเอนดูเด็กหมูคัลลดูนหมายถึงอายุเนี่ยจะไม่เปลี่ยนคือจะไม่มีอายุคือคักเรียกว่าวอะไรนะสตัฟ f รียว่าวอะไรสตัฟหรือเปล่าเปนสตัฟของอะ่ะสตัฟสตัฟไห คือสตัฟอายุเอาไว้ให้ใ ห, ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละไม่แก่ไปกว่านั้นอีกแล้วอันนี้คือความหมายคําว่ามุคลลดุนนะคือละ ي ทยรุนจะไม่เปลี่ยนหน้าตาก็จะอยู่สดสวยสว ย, สวยงามสง่างามเหมือนเช่นที่นะให้ครั้งแรกที่อัลลอฮฺตรลสประทานมาโอยตูฟอาไลฮิมุลดานมุคลัดูนอิザรเอยต์ะฮุม ้าสิบจะหุ่มลุลุ่มันสู้รอถ้าพวกเจ้านะถ้าเจ้าได้เห็นคนเหล่านี้ถ้าเจ้าได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ในสวรรค์เนี่ยเจ้าก็ประหนึ่งกับว่าพวกเจ้าเนี่ยความด้วยความสง่างามความงดงามหรือความชุดที่ใส่ด้วยนะั่นอะไรทั้งรูปร่างหน้าตาที่คอยมาให้บริการเนี่ยประหนึ่งกับเป็นไข่มุก ด้วยความสวยงามนะครับทั้งเจิดจรัส ด, ด้วยรสมีของใบหน้าของเครื่องแต่งกายที่ใส่เป็นเหมือนไข่มกไข่มุกที่กระจัดกระจายคือไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่ที่เดียว <c oughs> เขาบอกว่าพี่น้องลองนึกดูท่านในบ้านเราเนี่ยมีไมมบ้านใครที่แบบว่าถ้าบ้านไหนที่แบบว่าในบ้านเนี่ยมีเครื่องตกแต่ง อยู่ทุกที่ทุกห้องทุกมุมอะ่ะมันแน่อยู่ขนาดไห น, นคือมันไม่ได้เก็บเอาไว้ในกล่องเข้าใจไหมครับของตกแต่งอะ่ะไครมุกเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้สอยแล้วก็เก็บเอาไว้เอ้วเป็นพวงตั้งเอาไว้เฉยเฉยมันไม่สวยงามเท่ากับเอาไว้มุมนี้สักสองเม็ดเอาไว้มุมนั้นสักสิบเม็ดกระจัดกระจายบนเตียงก็มีบนโซฟาก็มีบนเตียงนอนก็มีไครคึอเต็มไปด้วยไข่มุกอะ่ะ นี่คือความหมายของคำว่าลุลัมมันสู้รา น, นี่เขาบอกว่าอย่างไงลุลัมวดรันมุฟรักนฟนบตอลมจลิสอตถิอ e ah สมมุติถ้าเรานั่งกันอย่างนี้ก็คือจะมีใครมุกอยู่ใกล้ๆมือนะครับหยิบจับได้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือความหมายของคำว่าลุลัมมันสูราเปรียบเด็กหรือว่าบริกรที่คอยให้ความสะดวกสบายกับเราในสวรรค์เนี่ยกระาจายอยู่ทุกกุม ไม่ต้องเรียกไกลไม่ต้องเรียกตะโกนไกลอยู่ข้างๆก็มีอยู่มุมนั่นก็มีอยู่ทุก อ, อยู่ทุกที่ س ب ح น ن ละะล l a h a l ลล h เตรียมเอาไว้นะครับว إ ذ ا رأي เนี่ยี่ยอ่ามีดูคำพูดของตับเีรของบรรดานักตับศีรนสักหน่อยหนึ่งนะครับจะอธิบายได้มากกว่านี้อีก หากว่า إذا ر เวลาที่เราดูไปยังบริกรเหล่านี้ด้วยความงดงามของรูปร่างด้วยความจำนวนที่เยอะด้วยการใส่ชุดที่สวยงามเนี่ยกระหน่กับไข่มุกที่กระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะซึ่งไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วในการเปรย لم يكن فوت عبد الله ابن عمر وما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى إليه ألف خادم ชาวสวรรค์หน ah ah uh ึ่งคนเนี่ยพี่น้องคิดว่ามีบริกรผู้รับใช้กี่คนนะพวกเราคิดว่าสักกี่คนพอสาหรับเรา ร้อยคนพอไหมในสวรรค์เนี่ยครับบอกว่าหนึ่งคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมีบริกร ร, รับใช้อัลฟุคอดิมินหนึ่งพันคนรับใช้หนึ่งพันคนยาอัลลอะหนึ่งพันคนเนี่ยสุเหร่านี้ก็รับไม่ไม่อยู่นะลองคิดดูว่าราชวังพระวังของชาวสวรรค์นี่จะใหญ่ขนาดไหน แค่คนรับใช้นี่ยก็หนึ่งพันคนเฉพาะคนรับใช้อย่างเดียวคุณลูคอดีมินอเลอแอมเลนแม่อะเลฮิสอฮิบูแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่เฉพาะของเขาซึ่งคนอื่นไม่ต้องมาเกี่ยวตัวตคนคนที่มีหน้าที่ถือถือการน้ำก็ถือการน้ํออาอยู่อย่างเดียวอะคนที่มีหน้าที่มีหน้าที่อะไรสมมตุติพัดกับพัดอยู่อย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นแล้ว แต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองอันนี้คือทัฟซีดนะครับจากอับดุลลอฮ์อิบนาอัมรนี่แหละคือลุกอุลออมมันตันะครับลองจินตนาการดูนะเพราะเรามีสิทิที่จะจินตนาการเพื่อปลุกหัวใจของเราให้อยากจะเข้าสวารรค์ و อ ذ ا ر أ ي และเมื่อเจ้านะโอ้มั h uh นี่กำลังพูดกับท่านนาบีของเราอยู่ و إ า ا ร أ ي ت เวลาที่เจ้าดูไปยังสวรรค์เนี่ยสัมม้นนะัมมาก็คือในสวรรค์ดูความสวยงามดูเนืหมัดตา่ตางๆที่เยอะแยะมากมายในสวรรค์เนี่ยเราไอแตนอมันมุลกนกบีรเจ้าก็จะได้เห็นเนืหมัดอันเยอะแยะมากมายเหลือเกินเป็น kingdom นะไม่ใช่ไม่ใช่คอมมูนิตี้ไม่ใช่ใชเป็นคิงดอมเป็นอาณาจักรมัมล ก, กะ่ะเป็นอาณาจักรเป็นเจ้าของเราเนี่ยเป็นเจ้าของอาณาจักรในสวรรค์ว่มุลกนกับบีรอแล้วก็นั่นแหละที่เรียกว่ามัมล ก, กะ่ะคิงดอมก็คือมัมล ก, กะ่ะที่เราถือครองเนี่ยลอห์อักบัตยิ่งใหญ่มากใหญ่โตมากจนจนกระทั่งบอกไม่ถูก สุลตานแาหิรอนเป็นอะไรที่นึกจินตนาการไม่ออกเราไม่เคยเป็นพระราชาบนโลกนี้พออยู่ในสวรรค์นี่เราเป็นพระราชาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อัลลอลาประทานมาให้กับเรามีห a ด i s นะครับที่บอกว่าวัสบุตีิศรัทธามี h a d i ที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮุนตะกลา รู้สึกว่าจะเคยบอกแล้วใช่ไหมครับในครั้งที่แล้วที่ละตาลาบอกให้กับคนที่จะได้เข้าสวรรค์คนที่ออกจากนรกเป็นคนสุดท้ายคนที่ออกไปจากนรกเป็นคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ทรงตะลาลาก็ให้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายเช่นเดียวกันเนี่ยคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ก็คืออ่มิสลุดดุเนียเหมือนกับโลกดุเนียนี้ทั้งโลก นี่คือคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์แล้วนะักประษาอะไรกับคนที่ได้เข้าสวรรค์ก่อนหน้านี้คนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์นี่จะได้รับเหมือนกับโลกทั้งโลกนี้ยังไม่พอวะอัชรอัมแซลิฮาและสิบเท่าของดุนยานี้อีไม่ใช่เฉพาะโลกนี้สิบเท่าของดุนยาบวกเพิ่มเข้าไปอีกนี่คือคนที่เข้าสวรรค์คนสุดท้าย Karena itu, yang Allah Taala bawa mungkin kebiran ni, rau nukap tak keluar. Kebetulan, Allah lebih besar. Tiada yang lebih besar dari Allah. Tiada yang lebih besar dari Allah. Subhanallah. Kita ada hadis yang sama. Hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. ได้บอกสภาพของสวรรค์ความกว้างของสวรรค์เนี่ยซึ่งอัลลอฮฺเองก็เคยบอกนะครับในสุร่าอัลอิมรและก็ในสุร่อัลฮะดีที่บอกว่าหมายถึงความกว้างของสวรรค์เนี่ยความกว้างของมันก็คือ เหมือนกับความกว้างของท้องฟ้าแล็แผ่นดินซ <cualquier S 1> ึ <Romanian> ่ง <guarante> สุดลูกหูลูกตาทีนี้ในฮะดิษเนี่ยก็มีฮะดิษนะครับจากอิมร์ออมารที่บอกว่าท่านนบีละััลลบอกว่าอินนอัดนาอัชาวสวรรค์ระดับต่าสุดไม่ใช่ระดับสูงสุดนะระดับต่าสุดระดับกิกก๊กที่สุดในสวรรค์น่ะยังไงยัรฟีมุลกฮมซีรอฟต เวลาที่เขาดูอาณาเขตอาณาจักรบริเวณของเขาเนี่ยความกว้างที่เขาครอบครองเนี่ยเท่ากับระยะทางการเดินทางจำนวนหนึ่งพปีฉนดสวรรค์ของแต่ละคนกว้างขนาดไหนครับหนึ่งันปีเดินทางเรา มีที่ดินมีมที่ดินที่ดินของเราเนี่ยแค่เดินห น, นึ่งวันนี่ก็เดินไม่ไหวลวอันนี้เดินหนึ่งทางหนึ่งพันปีแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือมาดูอะทเสียงไม่จบยังดุรุอิลาอาักซอแค่มายังดุรอิลาอเดนเวลาที่ชาวสวรรค์ดูพื้นที่ของตัวเองสมมติว่าสุดรัวที่เขาครอบครองเนี่ยเขาก็จะเห็นมันชัดเจนแจแจ้ ง, จง เฉวเหมือนกับว่าเขากำลังดูที่อยู่ตรงหน้าจมูกเขาเลยไม่ต้องใช้อะไรกล้องสองทางไกลสุบขาน้นหลอกเอาไหมแบบนี้ไม่ต้องใช้กล้องซ c t v ทีวในตามมุมนะตามมุมถ้ามีสถาบันเรานะถ้ามีวังก็คือต้องมีซ c t v ทีวจะได้ดูว่ามุมนี้มีขโมยเข้าไหมห อ, อะไรไหมก็ดูไม่เห็น แต่สายตาของชาวสวรรค์นี่สามารถที่จะดูไปยังรอบรั้วของตัวเองนี่เหมือนกับว่ากำลังดูอยู่ตอนหน้าเขาเองอัลลอฮอินนาอไม่เป็นชาวสวรรค์ไม่ได้แล้วครับไม่เป็นชาวสวรรค์ไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด سبحان الله لا إ อ ه إلا الله الله مَنَاسِقُكَ ا ل ج َ ن َّอُ الله مَجَّأْنَا مِنْ أَصْحَابِ الجَنَّةِ أ ن ْ ق َอ د ُ و ا أَهْيَأْنَكَ اللَّهُ سبحانه นี่ค no, ือนะถ้าร <your> ้ายตาสมร้ายตน ع ิมน์วมุลค์น์คบิรายาลลานะอาลีอะฮ์มซิยาบุนดุซินขดรุนวไอสตบร็อคเสื้อผ้าของชาวสวรรค์บ้างอาลีอะฮ์มสิ่งที่ปกคลุม หรือห่อหุ้มร่างกายของพวกเขานั้นระดับประดาพวกเขานั n เซียรบุซนดุซินเป็นเสื้อผ้าที่ทํามาจากซุนดุซินคุดดุลผ้าไหมสีเขียวซุนดุสเนี่ยหมายถึงอ่อันนี้ก็บอกว่ า, างไงซุนดุสวะฮัวราฟิอุลฮารีร์คัลกุมซานวานหุยฮมิมมายาลีอับดานะฮ์มหมายถึงเสื้อชั้นใน เสื้อผ้านะใช่ไหมครับเป็นเสื้อที่เราเหมือนมีผ้าคลุมข้างนอกตัวหนึ่งแล้วก็มีเสื้อเวลาที่เราใส่สูทลองนึกภาพเวลาที่เราใส่สูตรเนี่ยเอามีใครไม่ใส่เสื้อสูตรไปเลยโดยที่ไม่มีไม่มีเสื้อเชิ้ตข้างในอ่าไม่มีนะครับเนี่ยคนที่แบบใส่สูตรหล่อๆนี่ก็ต้องมีเสื้อสองชั้นหรือบางทีสามชั้นได้ไหมครับไอ้ข้างในนี่ทํามาจากผ้าไหมแบบนิ่มผ้าไหมละเอียดชื่อว่า ซุดุสในะที่ข้างนอกนี่เป็นผ้าไหมเหมือนกันแต่เป็นผ้าไหมแบบหยาบชื่อว่าอิสตบรอคทั้งหมดนั้นเป็นเป็นผ้าไหมโคตรอนหมายถึงสีเขียวเป็นสีทีเ่เขาบอกว่าคนอารับเนี่ยจะถือว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีของเป็นชียาบของบรรดากษัตริย์สีเขียวเนี่ยมันจะมีความอลังการ ถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงสีเขียวเขาเรียกว่าสีเขียวอะไรนะที่มันวิบวับ ว, วิบ ว, วับแบบสีเขียวเ อ, อมแมลงปีกสีเขียวปีกมแมลงคับเห็นไหมครับเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวที่แบบเห็นตั้งแต่ไกลเนี่ยเห็นก็จะเห็นอะไรก็อะไรนะเห็น ว, วิบ ว, วับ ว, วับวับวับแสบตาเลยนะครับแสบตานี่คือเสื้อผ้าชั้นดีนะครับของชาวสวัสด์ เสื้อผ้าที่ทักทํามาจากผ้าไหมอย่างดีอาลัยฮุมเศียบุษุนดุสินคุดรุว่ว่าอสตดะนะครับมีทั้งผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมนิ่งแล้วก็ผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมหยานะครับข้างนอกวะฮุล ah ูนอกจากเสื้อผ้าแล้วมีอะไรอีกวะฮุลูอาซาวิรามินซินต์แล้วพวกเขาจะได้สวมใส่กําไรที่ทํามาจากเงิน อันนี้เนี่ยกำไรที่ธรรมจากเงินเนี่ยเป็นของชาวสวรรค์แบบธรมธรมดาธรรมดาทั่วๆไปอิมดูกะซิรบอกว่า وهذه صفة الأبرار อันนี้เฉพาะชาวสวรรค์ที่เป็นอัลอบรอรเป็นคนดีแบบธรรมดาหรือถ้าเราจะพูดก็คือชาวบ้านทั่วๆไปในสวรรค์แล้วบรรดาวีไอพในสวรรค์เนี่ยเขาใส่กําไรอะไร ชาวบ้านธรรมดานี่ยใส่กำไรเงินชาวสวรรค์ไม่ใช่ชาวบ้านชาวสวรรค์ธรรมดาใส่กำไรเงินนี่ทั้งหมดที่พูดมาในโซโลตุเลนซ่าเนี่ยเป็นเนืหมัดหรือเป็นความสุขสบายของชาวสวรรค์แบบธรรมดาในขณะที่ชาวสวรรค์แบบอวยอีีเนี่ยมีอายะนึงที่อัลาลอฮฺตรับอกว่ายุฮ uh ัลเลวน์ทีฮะมินอซาอิรมินดะฮ์บอัลมุคัรรบุล คนที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิด Allah เนี่ยจะใส่กําไรที่ทํามาจากทองคำเป็นแรดนะครับเพราะฉะนั้นในสวรรค์นี่จะมีทั้งกำไรกำไรเงินและก็กำไรทองเป็นเครื่องแต่งกายเป็นเครื่องประดับของบรรดาชาวสวรรค์แตกต่างกันไปนะครับคนที่มีกําไรเงินหรือคนที่มีกําไรทองแล้วแต่ว่าระดับของเขานะั้นจะอยู่นะครับที่ไหนส่วนไหนของสวรรค์ วส قاءهم ربهم شرابا طحورة แล้วก็อัลลอฮ์ سبحانه تعالى จะให้พวกเขาได้ดื่มน้ําอัลลอฮ์ تعالى ใช้คําว่าสก ا ء ه م อัลลอฮ์เป็นผู้ให้พวก hey, เขาดื่มน้ําเองเหมือนกับว่าน้ําเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เป็นเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงอัลลอฮ์เลี้ยงน้ําแต่ภาษาบ้านเราก็คือเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟมามากินกาแฟหน่อยวันนี้ ัวเลียงเองอสมมุติผู้ว่าเลี้ยงน้ําเราอะไม่ต้องพู้ว่าหรอกกำนันผู้ใหญ่เลี้ยงน้ำโอ้ผู้ใหญ่เลี้ยงน้ำดีใจไหมนายกเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเอ่ะเข้า Amazon. อเมซอนเหรอมีนายกเลี้ยงเลี้ยง Amazon. อเมซอนเลยเว้ยสมมุติไปแล้วนี่อาราตะลาบอกว่าวาสก์ผมใครเป็นคนเลี้ยงครับใครเป็นคนเสิร์ฟใครเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพที่ ให้น้ำดื่มกับเราในวันอคราสรบบูฮมพระพูเป็นเจ้าอัลลอ์เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงบรรดาชัสวโซลชารับั น, าาววบนต้าฮูระเป็นเครื่องดื่มที่ชนิดพิเศษดื่มเครื่องดื่มนี้ของลอ์สุภาอะตอลาเนตจะทัจัดความสกปรกในร่างกายออกหมดเมื่อ ต่อหูตอหูเนี่ยในภาษาอังกจะ เ, กเวลาที่เราเรียนเรื่องฟิกใช่ไหมครับจะบอกประเภทของน้ําเนี่ยมีกี่ประเภทในหนังสือเล่ม ส, สีสีเนี้ยมีประเภทของน้ํามีกี่ประเภทมันจะมีน้ำประเภทที่สะอาดที่สุดก็คือต่อหูต่อหูนีห่มหมายถึงตัวมันเองสะอาดและสามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามาอ้นต่อหูในขณะที่มีน้ําบางประเภทเนี่ย น้ำมันสะอาดแต่ไม่สามารถจะเอาไปชำระสิ่งอื่นให้สะอาดได้อันนี้เขาเรียกว่ามือุ่นพะเฮรตัฮูร์พะเฮรอันไหนที่สุดครับตัวฮูรเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่านอกจากมันจะสะอาดแล้วมันยังสามารถทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มที่เราจะได้รับจากอัลลอฮฺบอกราชีอัลลอฮฺเป็นเจ้าภาพให้กับเราในวันในสวรรค์เนี่ย เป็นเครื่องดื่มที่ชำระอารมณ์ของเราที่สกปรกให้ออกไปความรู้สึกของเราที่ไม่ดีทั้งหลายในสวรรค์เนี่ยไม่มีละความรู้สึกแบบนี้นะทิยาลลาบอกว่าวะนัจนะมาฟีสุดูริฮิมมินกลิลความรู้สึกอิจฉาริษยาชาวสวรรค์จะไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาความรู้สึกเกลียดความรู้สึกหึงความรู้สึกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีของ ของมนุษย์ทั้งหมดที่มันเป็นความรู้สึกไม่ดีเนี่ยพอถึงในสวรรค์เนี่ยรัศ马拉จะให้ดื่มเครื่องดื่มนี้ของพระองค์เนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนอกจากสิ่งสกรปรกทางกายภาพนะพวกอุจจาระพวกปัสสาวะที่อะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีของของเสียของชาวสวรรค์เนี่ยในสวรรค์เนี่ยของเสียเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยของเสียที่มัน ที่มันจะถูกออกมาจะถูกขับออกมาเป็นเป็นเหงื่อแล้วมีกลิ่นหอมเหมือนกับน้ำหอมนี่คือสิ่งที่อรรถา ล, ลาสร้างเตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราไม่มีแล้วกลิ่นเตาไม่มีอ่ไม่ต้นงกลัวบางคนนะ่ะในโลกดุน ญ, ญานี่โอ้โหดูหน้าตาก็ดีแต่อยู่ใกล้ไม่ได้อันนี้ก็มีเยอะแยะเห็นไหในสวรรค์ไม่มีแบบมี นะครับไม่มีตดก็ไม่มีแล้วกลิ่นตดกริ่นอะไรพวกนี้สุบห้ามนะล่ะเพราะว่าัลเราจะให้ดื่มเครื่องดื่มที่สามารถจะขจัดนะเครื่องดื่มในสวรรค์ที่สามารถที่จะขจัดของพวกนี้ได้อย่างเกลี้ยงมาชงศัลล์นะความรู้สึกของเราก็จะเป็นความรู้สึกดีๆไม่มีความรู้สึกโกรธใครทั้งสิ้นนะครับในสวรรค์เนี่ยเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้ายังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ระวังให้ดีนะใครใครที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยเระ คนที่จะมีคนที่จะเข้าสวรรค์นั่นนี่จะต้องไม่มีความรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นในโลกดุนยาเนี่ยต้องพยายามให้มีนิสัยชาวสวรรค์ก่อนก่อนที่จะได้เป็นชาวสวรรค์ในวันอัครามีซาฮาบะคนหนึ่งเนี่ยซาฮาบะคนหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่านะเดินมาวันแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินมามาหาพวกเจ้าซาฮาบะคนนี้ก็ออกมาบอกพรุ่งนี้ท่านนบีบอกว่าจะมีชาวสวรรค์เดินมาหาพวกเจ้าคนเดิม น, นี่แหละที่เดินมา ตอนหน้าซาฮาบะวันที่สามท่านนบีว่าเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินออกมาก็คนเดิมนี่แหละซาฮาบะคนเดิมนี่แหละที่เดินออกมาอิมโนอุมาร์เนี่ยตกใจตื่นเต้นเฮ้ยท่านนบีประกันสวรรค์สามวันี่มีแต่นี้แหละที่เดินออกมาก็เลยอยากจะรู้ว่าทําอะไรมีอามาจอะไรที่ตัวเองทำจนกระทั่งท่านนบีรับประกันตั้งแต่ยังไม่ตายว่ามันเป็นชาวสวรรค์ว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์ก็เลยไปหาที่บ้านแล้วไปอยู่ที่บ้านถึงสาวันหรือยังมันยาว สุดท้ายอิมร์อามาร์ก่อนที่จะกลับเนี่ยก็ถามว่าที่ชั้นมาเนี่ยจริงๆแล้วต้องการที่จะมาดูมาเป็นสปไปมาเป็นสายลับว่าเออทําอะไรทําไมถึงมาเป็นเจ้าสวรรค์อบับดุรับรองปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรเลยปกติใช้ชีวิตปกติไม่มีอมามัรอะไรพิเศษเลยก็บรรนี่ยตามที่เจ้าเห็นนี่แหละพอจะเดินกลับไปจะหันหลังกลับไปแล้วเนี่ยก็ น, นึกขึ้นได้ก็เลยเรียกอิมร์อามาร์มาต่อว่ามาพูด มาบอกว่าเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่พิเศษก็คือฉันทุกคืนก่อนนอนเวลาที่ฉันจะนอนเนี่ยหัวใจของฉันจะสะอาดปล่อยวางทุกอย่างไม่มีใครที่ฉันโกรธไม่มีใครที่ฉันถือสาใครจะทำผิดอะไรกับฉันทุกอย่างฉันวางได้หมดโนมันบอกว่านี่แหละที่เป็นสาเหตุทำให้ท่านเข้าสวรรค์และเราทาไม่ได้ อิมนุอัลบอกว่าพวกเราทาไม่ได้เหมือนท่านก็เลยได้เป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ก่อนตายนะัชาวสวรรค์คือสภาพอย่างนี้ใครที่อยากจะเข้าสวรรค์ต้องมีสภาพแบบนี้ในโลกดุเนี่ยหัวใจต้องกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมต้องไม่มีก็จะได้เป็นชาวสวรรค์นะต้องเข้าใจนี่มันยากไงมันยากตรงนี้แหละที่เราต้องเหนื่อยทําอัมมาร์อิมบัดอย่างอื่นถ้าเราเราหัวใะอะไรเป็นไร เพราะฉะนั้นช ر ا บนตหันะครับน้าที่ทาให้สะอาดทั้งใจแล้วก็ทั้งสกปรกทั้งหมดที่อยู่ข้างในเนี่ยจะสะอาดสิ้นนะครับด้วยด้วยเครื่องดื่มที่อัลลุบะฮอมอบประทานให้กับชาวสวนเห็นไหมมุกสซิลบอกว่าไอ้ตั้งหรบวาติณห์ุนั้นอัลฮัสัดีแลฮักดลิลลอาและ سائر อัลลาครอ เหมัอนกัอที่อธิบายไปยนะครับรร อ, อ, อินน่า this คานละคุมจะะนโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอวโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โที่อ้โอบบ้าอดโอ้บั้โ า, าเโอ้โออ้โา้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โออ้โั้โอ้โอ้้้้้ เป็นผลตอบแทนที่พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ ม, มาในสมัยที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกโนกนี้วกานัสะอุคุมมัชคูรอความพยายามเล็กๆของพวกเจ้าในโลกโดลนี้เนี่ยอัลลอฮฺตอบแทนหมดเลยอัลลอฮฺขอบคุณพวกเจ้าหมดเลยทำเล็กน้อยขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมมีผลตอบแทนหมดเลย วันนี้ผมไมเห็นสเตตัสอยู่สเตตัสหนึ่งเป็นอะไรที่ฉุกคิดมากเลยเขาบอกว่าอะอะไรนะน้ําตาลคิดเป็นอะไรเป็นกิโลใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเปรียบเทียบอะไรอีกข้าวคิดเป็นเป็นอะไรสมัยก่อนเขาจะคิดเป็นลิตรใช่ไหมครับคิดเป็นลิตรเครื่องมาตราตวงวัดของเราเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยมันจะคิดเป็นกิโลเป็นลิตร เป็นด้ามเป็นเล่มเป็นเป็นของใหญ่ๆทั้งเพลเลยแต่ว่ามาตราส่วนมาตรวัดในวันอัคราชเนี่ยไม่ใช่กิโลไม่ใช่ลิตรไม่ใช่กระบุงไม่ใช่กระบะแต่เป็นอะไรครับมิสกาลุดรร์ตนอะตอมนี่คือหน่วยวัดสำหรับวัดอัคราช فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ใครก็ตามที่ทำดีเท่ากับน้ำหนักของอะตอมเขาว่าจะได้เห็นาลอตอะไจะตอบแทนความดีของเขาถึงแม้เขาจะทำเล็กมากนี่คือมาตราที่ลอตอะไรใช้วัดความดีความชั่วของมนุษย์ในวันนี้แคห เพราะฉะนั้นวาแกสยุคุมมัชกูรสิ่งที่เราทำทั้งหมดในโลกนุรยานี่เาจะจะขอบคุณทั้งหมดเลยอย่าะแล้วขอบคุณแบบเยอะไม่ใช่ขอบคุณแบบเล็กๆขอบคุณแบบเยอะมากละอินชากรละอัซีดันนมถ้าเจ้าขอบคุณจับจเพิมให้กับเจ้าอีกนี่คืออัลล์ครับมางศัลลอฮ์ละอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์ลอิลฮอิลลัลลอฮ์อินนาห์นนัซัลนาจทั้งบทนี้จบ ความสุขสบายในสวรรค์ที่อรักษ์อลอาอธิบายในสุรตุลเอ็นซัสจบแค่นี้พี่น้องลองนึกดูทั้งหมดที่เราฟังไปนี่มีกี่อย่างลองนับดูนีกี่อย่างครับเริ่มตั้งแต่าตาน้ําที่เป็นเล่าแล้วก็นู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสุขครบวงจรครบวงจรจรๆๆิงๆทั้งรสชาติที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นอรักษ์อลาก็บอกอะไรครับที่สัมผัสได้ด้วยลิ้น เล่าผลละมาทั้งรสชาติที่สัมผัสได้ด้วยตาความสุขทางตาอะไรฮะอ้ดูบริกรดูคนที่มาเสิร์ฟสวยงามเหมือนกับไข่มุกความสุขที่ได้าจากจากจากหูแลบางทีหูก็ได้รับความสุขเหมือนกันก็คืออะไรคำพูดของบรรดามลาอิกัสที่คอย ต้อนรับเราเข้าสวรรค์ Salaam alaikum ติบตุมมาา่ม Salaam alaikum ติบตุม่มนี่เป็นคําพูดที่บรรดาอะไรก็จะกล่าวต้อนรับชาวสวรรค์คําพูดแล้วก็ความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางตาอีกอย่างนึงที่เราจะได้เห็นที่สุขที่สุดก็คือการได้เห็นอัลลอฮ์ความรู้สึกทางตาความสุขทางตาความสุขทางหูความสุขทา ง, าาทา ง, าทางได้อะไรอีกสัมผัส แล้วก็ความรู้สึกแบบบรรยากาศทั้งหมดนี้คือความสุขครบองจรที่มนุษย์ที่ได้เข้าสวรรค์จะได้รับจาก Allah س ب ح ا ن อจบตรงนะี้ทีนี้อายะต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสวรรค์ยังไงน้องครับนี่แหละที่จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสวรรค์ตรงไหน a ล l a h ตะลาว่าอินนานะนันซลนะัลกุรอานะต็นซีลา นึกภาพออาไวอยังครับว่าสวรรค์ของเรานี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับวะยูของ Allah Subhanahu Wa Taala นรกก็เกี่ยวข้องกับวะยูในสุราห์ที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยที่ Allah a l a พูดถึงบรรดาคนที่ต้องเข้านารกเนี่ยเข้านารกเพราะอะไรเข้านารกเพราะไม่เอาอัลกุรอานเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ก็ต้อง เออัลกุรอานสาเหตุที e ini, wa, OK ่จะทําให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ก uh ็คือด so, ้วยการเป็นอ uh ัลก uh ุรอานาะลัตอัลมายัมในอายะตนี้ว่าอินนานะฮ์นูนัลนะลค์อัลกุรอานทันซีแลอัลกุรอานนี่มาจากพระองค์ยัมเป็นเส้นทางเป็นช่องทางที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ก็คือกับเพียรอัลกุรอานนี่แหละที่จะชี้ทางว่าเราจะเข้าสวรรค์ยังไง ฟัซบิร حكم ja, ja, ิรับบิคเวลาที่เราจะปฏิบัติตามอัลกุรอานเนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือคือฟัซบิจะเข้าสวรรค์ก็ต้องมีเครื่องมือนี้ต้องฟัซบิจะเอาอัลกุรอานไปเข้าสวรรค์เนี่ยต้องมีสบาร์ล حكم ิรัต้องอดทนต่อการตัดสินของลอ เอาว่าแต่ละกำหนดนายังไงกอดเอกอดดั๊ของแต่ละคนเป็นยังไงต้องยอมรับอย่างซิโรราฟาสบิร์ลีฮุกมิรับบิกฮะแล้วก็อะไรอีกนี่คือนี่คืออายักที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราได้เข้าสวารรค์ทั้งนั้นเลยนะครับฟาสบิรลบ์ลีฮุกมิรับบิกะ ولا تطع منهم آثماً أو ك ف و ر า และอย่าได้เชื่อฟังบรรดาคนกระเฟรที่เรียกรอ้องนะอาสิมันหมายถึงทำความผิดด้วยการกระทำและคำพูดของพวกเขากระฟูรรหมายถึงปฏิเสธศรัทธาด้วยหัวใจและลิ้นของพวกเขาห้ามห้ามปฏิบัติตามถ้ามีคนเชิญชวน คนกัเฟร์คนปฏิเสธศรัทธาที่เชิญชวนให้ทำผิดด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีถ้าอยากจะเข้าสวรรค์อาให้ยึดกับอัลกุรอานเป็นหลักและอดทนต่อคำสอนคำสั่งของอัลล์สุบฮานาะูตะอลและอย่าไปสนใจคการล่อลวงของชายตอนการล่อลวงของบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูของอัลลอ์สุบฮานะูตะอัล ทำได้ไหมครับ <laughs> อะทำได้ไหมนี่คือคุณลักษณะเจ้าลักษณะาาบอกว่าจะได้เป็นชาวสวัส์ทีนี้การอดทนเนี่ยเป็นอะไรที่หนักมากเราทุกคนยอมรับลักษณะาาก็เลยแนะนำวิธีที่จะทำให้เรานั้นอดทนได้ดีเป็นตัวเสริมทำให้เราสามารถอดทนต่อคำสั่งของพระองค์ไดน้นั่นก็คืออายะห์เจ้าลักษณะาาบอกว่า ว๊าซ ta ุร e ิษมารบบิคะบุคเรตันและศิลาจงกล่าวจิกเกิลต่ออัลลอฮ์จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกเช้าทุกเย็นการจิกเกิลต่ออัลลอฮ์ทำให้เราสามารถอดทนได้ดีกว่าเพราะการจิกเกิลต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นการผูกโยงชีวิตของเรากับอัลล์ ب ح ن ه และุต่าละเวลาที่เรานึกถึงอัลล์ เราก็จะยิ่งอดทนต่อสภาพที่เราเป็นอยู่บางทีเวลาที่เราเหนื่อยเราเจอกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆนานาเยอะแยะมากมๆอย่างพี่น้องของเราที่งำลังโดนอยู่ตอนนี้ทุกแห่งช่วมุมโลกตอนนี้ที่ซีเรียที่โรฮิงญาเราเห็น เ, เ, เราเองก็รู้สึกเจ็บปวดแทนไม่ไหวจะอดทนยังไงอ่ะพี่น้องคิดว่าเราจะอดทนยังไงเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราโดนอย่างงั้นบ้าง จะอดทนจะเอาอะไรมาอดทนอ่ะมีวิธีของมันที่อัลลอฮฺบอกก็คือต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากทุกเชา้าทุกเย็นเราก็เหมือนกันทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเราอดทนไม่ไหวหรอกถ้ า, าถ้าหากเราไม่พูดไม่นึกถึง Allah, ขขอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าปัญหาของเราจะเยอะมากแค่ไหนแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะเยอะกว่าปัญหาของเรา เราต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเราไม่นึกถึงไม่ได้ไม่อยา่างนั้นแล้วเราจะหมดพลังในการที่จะอดทนต่อ Allah ลอต阿拉ก็เลยบอกว่าต้องสำคัญมากนะครับแม้กระทั่งในสงครามลอะตะล拉ก็สั่งให้บรรดาคนที่อยู่ในสระหม้อสรมสรภูมิสงครามเนี่ยนึกถึงพระองค์สิกเกตต่อพระองค์ให้เยอะวั s ก u r u l l a h kasiran และอั l a h u m tuflihum ต้องพูดถึง a l ให้มากแม้กระทั่งอยู่กับตอนน้าศัตรูก็ต้องพูดต้องสิกเกตต่อ Allah มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีชีวิตปกติทุกวันเนี่ยต้องมีสิกเกรต้องมีเขาเรียกว่าวารีฟะต้องมีเป็นจวัตประจําวันที่เราจะต้องใอ้ให้กับหัวใจของเราอ่ะหัวใจของเราต้องการการสิกเกอรต่อหละเพื่อให้มันเข้มแข็งที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ท, ท, ที่เราเจอในชีวิตขอให้พี่น้องเข้าใจนะครับนอกจากการสิกเกรแล้ววามินัลไลลิฟัสจุดเดลู อันนี้เป็นสุดยอดของสุดยอดที่จะทำให้เรานั้นอดทนต่ออุปสรรคและก็กระดะและกระดับต่อ Allah การสุญูดต่อ a ต่าเวลากลางคืน Wasbihu l และจงตั้งเบต่อ Allah ท่ามกลางกลางคืนที่ยาวนานอพยะันี้หมายถึงการกตย า, ายบุญใดการละหมากกลางคืนสุญูด ในเวลากลางคืนให้มากอัลลอฮฺอักบารนี้เราเรียนมาแล้วส ah ุรุตุลมุซัมมิลแล้วตัวอย่างของท่านนาบีสุลต่อนของเราวะซัลลัาาลมที่ท่านเผชิญหน้ากับบรรดามุ้ชนิกินในตอนเริ่มต้นของอิสลามก็ประจักษ์ชัดว่าท่านใช้วิธีนี้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของท่านและบรรดาสสารของท่านจนกระทั่งท่านสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้สิบปีสมัยที่อยู่ที่มักกะจะใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสำคัญมากต้องฝึกครับเรื่องนี้ต้องฝึกเราเคยบอกแล้วว่าต้องฝึกสิ่เกทเช้าเย็นไม่เท่าไหร่ก็ต้องฝึกขนาดไม่เท่าไหร่นี่ก็ต้องฝึกยังมีวันที่เราลืมใช่ไหมไม่ได้อัสการเช้าเย็นอัสการานบาบวิยเช้ า, ชาเย็นไหนลองยกมือซิว่าใครที่อ่านทุกวันไม่เคยลืมสักวันหนึ่งเลยลืมบางทีแกล้งลืม แกล้งลืมทั้งๆ ท, ที่มันสามารถมีเวลาเยอะมากนะครับตั้งแต่หลังซูบุไปจนถึงโรฮรเลยสามารถที่จะอ่านอัลกัตได้ภาคเย็นตั้งแต่หลังอัสซัจนถึงอิชาเลยบางอุลามะเอาอัถึงอิชาเลยก็ได้ถ้าไม่ทนันหลังอัสซรนะเอาหลังมะกริบจนถึงอิชาก็ยังอ่านอัลกัตได้แต่เราลืมแกล้งลืมทําเป็นลืมทันจุดเนี้ยยิ่งกว่าอัลกัตอีก อันนี้ไม่ใช่แค่ลืมแล้อันนี้หลงหลงไปอยู่ในดงอะไรก็ไม่รู้เอัสลามุอะลัยฮุอะวะตุบิลัย แ, แล้วเราก็มาบน่บนบ่นอนนู้นบ่นอันนี้บน่นเยอะแยะไปหมดปัญหาในชีวิตที่เราแก้ไม่ได้นะว่ามันเยอะทําไมปัญหาในชีวิตมันเยอะขนาดนี้เพราะ ไ, ไงเพราะเราไม่มีกระบวนการที่ละตาลาได้บอกเอาไว้ให้กับเราแล้ว ผมมีความรู้สึกเล็กๆว่าอยู่ที่เราจะกล้าลองหรือเปล่าเอาจริงๆใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาอะไรตอนนี้นะลองนี้สักคืนึน่งตื่นขึ้นมาละหมาดแต่หยุดแล้วขอดูอาจริงๆจังๆระปรองเลยว่ามันจัดหายกล้าลองไหม นะอัลลอฮว่ า, วาฟัสจุด له وسبح له เวบบลา ط و ي าให้ละมาต้าฮจุดแล้วให้ส سبح ย, ยาวคือให้สิเกตให้ใช้เวลาให้นานในการละหมาดในการเตรียมอะไรต่อ Allah แต่เรากลับกันเดี๋ยวนี้เราใช้เวลากลางคืนนานเหมือนกันแต่ใช้ทำอะไรตอบเอง <laughs> ไม่ใช่นอนนอนนี่อย่างดีนะใช้ทำอย่างอื่น ใช้บอดใช้บอดไม่ใช่นอนใช้สําหรับบอลยาาเลยใช้สําหรับอะไรอีกใช้สําหรับว่าไปแต่ละคนนะุบาอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วเราก็มานั่งเรียกร้องเรียนต่ออัลลอฮ์อยาอัลลอฮ์เมื่อไหร่อัลลอฮาจะช่วยเราสักทีเมื่อไหร่อัลลอลาจะช่วยบรรดามุสลิมสักทีนี่นะครับอัลลอฮ์จะช่วยจะช่วยก็ช่วยไม่ลงถ้าเราเป็นอย่างนี้ลองดูนะครับพี่น้องครับ ทุกวันนี้ถ้าเราคิดว่าการสิเกตของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นหรือดูอาของเราเนี่ยตัวเองสบายแล้วไม่จำเป็นต้องขอดูอาขอให้กับคนที่กำลังลำบากก็ได้พี่น้องของเรากำลังต้องการดูอาจากเราตื่นขึ้นมาละหมาดเนี่ยไม่รู้จะขออะไรให้กับตัวเองขอให้กับคนอื่นแต่ผมว่าไม่มีหรอกเราเองก็มีความจำเป็นต่อดูอาขอร้องเราหลายมาก ฝึกครับต้องฝึกต้องฝึกตัวเองแล้วต้องให้กําลังใจกับตัวเองต้องคอยปลุกแล้วแต่ว่าจะใช้กระบวนการไหนอาจจะอาจจะนัดแนะ ก, กันสองคนก็ได้คืนนี้ช่วยปลุกหน่อยนะสามครึ่งช่วยโทรเข้ามาหรืออะไรก็ว่าไปมีเครื่องมือเยอะๆที่จะทำให้เรานั้นรู้จักฝึกนะครับการที่จะได้เป็นอิบดอะดะเป็นอิบะดูราะมานเป็นบาวที่ดี Allah Subhanahu wa Taala. Perubahan pun sudyar ibadat kita nabi saw. Nerakkan cinta cak Allah Subhanahu Taala เอง Nah hab ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddasser. Lepas itu kong dengan Al Quran. Kita tujukin mana ni, kita lama ni, kita al Quran. Quran ni lah, akan masuk sump dan kemudian cuci lantai kita, biar kita menjadi orang yang berbakti kepada Allah. وفق ن ั الله ا ل ل l وإياكم إما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ر ب كرب العزة ما ي س, س ي و ن وسلام ا ل على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله